เดี๋ยนี้เรื่องควรใจทำให้วงใจนิดหน่อย้าเป็นลายตั้งถ้าแม้เราคุณแสงว่างเพิ่ึแ ส, งงสดงกํางใจสูงขึ้นคือพวกกิเลสเนี่ยถ้ามันมีอะไรควรมันไม่ดีเลยถ้ามันมีอะไรควรเรืนอนหลับสบายเล่กัดเล่นหน่อยจะลอยหมดตัวตาย <c oughs> พอมีอะไรลนะ้วทุกขั้นเข้าก็มีลมต่อสู้ใช่ไหมารกฎธรรมดารกฎธรรม ในการนั้นมันจัดอะไรวะสอัยในการขึ้เมือขอบใจมีมากเจ็ดสิบสอง ในการผู้กาผู้หญิงผู้ชายขายได้แน่ในกระนพราญี่ปุ่นะาฬิกาขายผูกอะเป็นหมาน้อยแน่ไม่กี่เดือนอะขายดูอนึ่ เหื่อเห็นหน้าสาวน้อยน้อยเลยหายเหน่อ ย, อย เ, ออเนี่ยเหลือพื่นหน่อยเนหน่อยเอน่อยนี้เลือเท่าไกัไปหรอเนี่ยผู้หญิงไม่งานไม่ว่างนะดูนั่งอย่างนีดิเฮนี่กนะ็นี่นะลอง ชายขยัสสขสขนสู้อะส่งแววในการกระเด็นเมืฐานเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะยากไปหน่อยยากไหมฮะไม่รู้ถ้ามันยากแล้วนั่งหลับเมื่อคืนนี้แรงไม่มีคิดว่าจะพูดสักสิบนตทีถ้าเป็นอย่างนี้ที่ใก็เป็ะนแบบนั้นคิดว่าจะพูดน้อยท่านก็ให้มาก ที่พยพูดมากเท่าไหร่ปวดเดี๋ยวเดียวบาทีเจ็บคอเป็นเว ท, ทีเจอเท่แต่สิบนาทีก็เลิกนอกจากวัมันเลิกเรื่องลงไม่ได้ก็วันนี้ขอแนะนำบรรดาท่านผู้บริษัททางด้านไปกินอากาคําว่าไปกินอากาศแ่าเร่น้อยแต่มันเป็นประโยชน์ใหญ่เพราะว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านผู้บริษัท ถ้าว่าการตามพื้นฐานจริงๆพื้นฐานจริงๆในหนักไปหน่อยแล้วก็เหมาะสําหรับกับท่านที่มีเวลามากนี่คือการหนึ่งถ้าว่าเราําหนักวิชาจริงๆถึงวม้ไม่มีเวลามากก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าผลในการปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่ความเข้าใจตัวเดียว ถ้าเขาใจที่อย่างใดอย่างหนึ่งวิธีทำง่ายๆก็มีผลมากอย่างที่บรรดาท่านผู้บริษัท ต, ต้องการคำว่าสมาธิหรือบางท่านต้องการคำว่าฌานถ้าพูดว่าสมาธิบางท่านก็หนักใจพอท่านพูดบอกคำว่าฌ า, า, านก็หนักใจมากขึ้นแต่ความจริงคำว่าสมาธิในแปลว่าการตั้งใจ ท่นตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเป็นสมาธิแล้วก็สมาธินี่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเวลามาฝึกกันแบบนั้นแบบนี้ความจริงทุกคนเกิดมาแล้วมีสมาธิแ ม, มาแล้วทุกคนตั้งใจว่าจะรับทานอาหารตัวนี้คือสมาธิแล้วนั่นขณะที่รับทานอาหารอยู่ก็มีสมาธิ พร้อมจะมีสติสมัชัญญาพร้อมสติปรียนการนึกได้สมัชัญญาคือการรู้ตัวเรานึกว่าเวลานี้เราจะเปิดอาหารขณะที่เปิดอาหารลงไปแล้ส่งเข้าปากกำลังเคี้ยวอยู่เวลานี้รู้ตัวว่าเราส่งข้าหายเข้าปากและกำลังเคี้ยวอยู่เวลานี้เป็นสมรชชัญญา รวมความว่าสมาธิก็ดีติจสัมปชัญญะก็ดีเป็นของธรรมดาที่บรรดาในพุทธบริษัทมีอยู่แล้วแล้วคาว่าชานคือรวมชิงคือจิตสงบการจิตสงบจริงๆมีแล้วสำหรับบรรดาในพุทธบริษัทตั้งแต่เกิดมานั่นถ้าจิตของท่านเวลาที่จะนอนหลับถ้าจิตท่านไม่สงบไม่ถึงฌานมันหลับไม่ได้ เวลาใกล้จะหลับที่ได้ครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนี้ที่เรียกอุปจาระสมาธิเวลานั้นจิตมีลมเป็นพิษสามารถเห็นภาพผีเทวดาได้ถ่ า, ายไปเข้ามาถ้าตื่นใหม่ๆตื่นยังไม่เตียงที่เดียวครึ่งหลับครึ่งตื่นเวลานั้นเป็นลมทีว่วปจาระสมาธิขณะใดได้จิตถึงชานเวลานั้นจิตจะตัดหลับตันทิพย แต่ว่าคำว่าฌานอย่างนี้จัดไปเป็นโลภีฌานฌานไม่เนื่องด้วยกุศลแต่รูธรรมดางูปการพีบันดาพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าธรรมที่เรานำมาสอนนี้ไม่จะนำมาจากไหมมันมีอยู่แล้วในโลกแต่ว่าเอามารูมให้เกิดประโยชน์คือเป็นกุศลเนกุศเท่านั้น <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอพูดทางด้านสมาธิที่ทําได้ง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์ใหญ่เอาเรื่องของไข่ดีเออเปิดเอาเรื่องไข่เป็นตัวอย่างดีเอานี้ดีกว่าเอาของที่ผ่านมาในชาตินี้เอาของแข็ก็ได้ยกตัวอย่างให้ฟังเอาสมัยว่าเป็นเด็ ก, ดกตอนนั้นอายุประมาณ1ิบสองปี เพื่อตอนเป็นเด็กนี่แม่บังคับเรียกว า, า, าันมาแม่บังคับท่านแม่บังคับบอกว่าก่อนจะหลับต้องว่าพุโทให้ได้ยินสามคำคือว่าพุธโทพุธโทพุธโธแล้วก็หลับได้ถ้าไม่ว่าให้ท่านได้ยินสามคำหลับแล้วท่านตุกมาว่าใหม่สบายมากแล้วมันจะมีการตั้งใจอะไรสหรับเด็กใช่ไหม จะว่ากันแม่ดีเขาเรียกพุโทโธกันแมเร็วเป็นเนื่งจีงิจริงต่อมาพอพอโตขึ้นมาหน่อย <c oughs> ก็มีเริ่มกลัวผีไอ้เรื่องกลัวผีนี่รวนน่าอาจจะรวหนหลักคนทุกคนนี่เวลากลางวันเนี่ยเข้าห้องไม่ได้เนี่ยเข้าห้องเดียวไม่ได้เป็นเอตัคขาดั่งกลัวผีเข้าห้องคนเดียวต้องมีคนข้างนอก ฟังเสียงคนนอกแต่คนนอกไม่คุยเข้าไม่ได้เวลาเดินออกจากห้องต้องถอยหลังออกโมพีเกาะหลัง <c oughs> ไอ้นี่เป็นความจริง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เราโกหกให้ฟังเรื่รองจริงจรนี่เป็นความลับมนตอนกลางวันถามความรับไม่วา น, นี่นไม่รับ เ, เนี่ยเนี่ยรักแค่ <c oughs> นี่นักทิโลกเจโร น, นามะความรับเป็นมีโ ล, โลกโศกไปจนได้เนะแล้วต่อมาเวลานอน เวลานั้นมุงรวดไป่ีใช่ไหมกลาง ม, มุงต้องหาผ้าหรือไม้หนักๆมาทับตีนมงตัวผีจะรอดออกมาถ้าไปที่นอนบังเอิญมีร่องเอาม า, อาผ้ามาอุดอุตรกนวันตอกเป็นหมันหมดตัวผีรอดหล่องึออ้นมาอันดับหนึ่งนั้นเนี่ยเห็นไหมตรงที่ดังหนูพิเศษไม่พอในเมื่อตัวผีที่มาแม่ขยายใช้เกห้อง แม่บอกว่าถ้ากลัวผีลูกภาวานาว่าพุทโธผีไม่หลอกยิ้มกลัวก็เลยภาวนาว่าพุทโธกันผีือว่าแค่นั้นแต่เวลาไหนไม่กลัวไม่ภาวนาเวลาไหนกลูวสมัครภาวนาวเด็กแบบนี้ไม่จริงไม่จริงแล้วต่อมาเมื่ออายุสิบสองปีปลายโคตอหิวาตกรโรคระบาดในตอนนั้นสุ น, นัขมันหอนทั้งคืนหอนด้วยคนตาย จะแรกไก่ตายก่อนไก่ตายเป็นผงๆหมดตั้งแถวต่อมาก็หวัวไฟตายต่อมาก็คนตายาเอาหนักเอาหนักมากรวมความาพ่มาที่วัดใกล้ๆบ้านเนี่ยผีเข้าวัดก็ศพเข้าวัดทุกวันพระท่านก็กลัวผีเป็นเหมือนกันเวลานั่งใครตายไปที่บนพระมาสดผีพระเป็มาแม่เพราะอะไรมนะ มีไหลหลังแทบพทะอยู่รวมกัวหลังเดียวกัน <c oughs> โอ้โหจริงจริงน่ากลัว <c oughs> และปรากฏว่าใบชาอาจจะมารอดป่วยไม่กันอการป่วยลยป่วยตอนเช้าตอนเช้ า, ชาท้องถ่ายครั้งแรกเริ่มหมดแรงพ้องถ่ายครั้งที่สามหมดแรงเลยตาปิดปลุกไม่ขึ้นปวดท้องร้อนก็นร้อนนี่ทำไงแว่ห้เราไปตามลุงลุงเป็นหมอ แต่ก่อนที่หลวงจะมาก่อนนี้ท่านู่ไปตามหลงท่าบอกภาวนาว่าพุทโธท่านบอกว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้ลูกหายจากโรคที่ตอนนี้ก็เป็นการภาวนาสันตายก็จําต้องภาวนาเพราะว่ามันเจ็บมากมันร้อนมากภาวนาไปภาวนาไปก่อนที่ภาวนาท่านเอาขราวพุทโองค์ที่ชอบใจมากเคยชอบอยู่องค์หนึ่งท่านในบ้าน่ชอบองค์เดียว ถ้ามาตั้งข้างข้าให้มองเห็นสมาบอกจำภาพพระนี่ไว้มองลูกพ ร, ระลกภาวนาวุฒโธก็มองลูกพระแล้วก็ภาวนาวุฒโธภาวนาไปภาวนาไปตามหรือไม่ไหวหมดแรงนะก็หลับตาหลับตาภาพพระก็ติดตาแล้วนึกภาวนาเรื่อยๆฝึกภาวนาไปได้หน่อยเดียจิตเรื่มมีสุขพอจิตเริ่มมสุขอาการเสียท้องปวดท้องร้อยข้างในมันเป่าลง อาการเบาลงพระแจ่มใสขึ้นหลักตาเนี่ยตาแจ่มใสขึ้นน า, นานาเข้าพระองค์ใหญ่คึกเกือเท่าพระประธานมีสภาพแจ่มใสสวยงามมากที่ก็สดชื่นภาวนาไปโาวนาไปพระพุทธองกลายเป็นพระสงฆ์สวยมากริชาปัญญาสีปากแดงเรื่อนเนื้อเรลืองข้ายีวอนอ่อนอยีวร น, นิดหน่อยแล้วก็ยิ้ม พอพระยื้มไปเดียวยเดียวยินมแป๊บเดียวสักหนงนาทีถึง ไ, ถงไม่ถึงก็ไม่ชราบก็ปรากฏว่าตัวออกไปจากตัวเ <c oughs> วลาออกไม่รู้นะ <c oughs> ไปรู้แต่เพียงว่ายืนอยู่ข้างนอกมองร่างกายเดิมมันมีสภาพสกปรกเกลียดเห็นร่างกายไม่เกลียดมากไม่จะดักร่างกายใหม่ที่ได้ที่ได้ใหม่เนื้อมันเป็นแก้ว เสดดื้อผ้าทั้งหมดเซนของคําแล้กว่า ด, ดับเพลศภาพก็เป็นรงลองขยับเนื้อขยับตัวดูมันไม่รู้สึกอะไรเลยเบาหมดเหมือนกับอากาศ <c oughs> นี่ตามธรรมดานั่นแม่เลยท่า น, ม, า น, านมีระเบียบถ้าอยู่บนบ้านด้วยกันจะลงจากบ้านต้องขออนุญาตต้องบอกก่อนถ้าไม่บอกก่อนผมเครียดถ้าอยู่ข้างล่างจะขึ้นบ้านถ้าอยู่ด้วยกันต้องบอกท่านก่อน วันนั้นก็คิดว่าเมื่อออกมาจากร่างกายแล้วเห็นถึงคนทุกคนที่นั่งอยู่เขามองในคนตายเราก็ไม่สนใจก็ เ, เลยไปจับแม่แล้วก็เรียกลงุงไม่มีใครสนใจจับขยาวแต่ก็ไม่รู้อยากจะลาลงไปข้าล่า ง, างในที่สุดก็คือแม่เขาไม่สนใจหมดก็ได้กาใครไม่สนใจก็เรียวเราก็ไปก็เดยวจะลงมาซาวล่า ง, างเอาแค่นี้ดีไหมเอาต่อไปอหน่อยนะ ลงไปกันล่างก็งไปยิงอยู่หลังบ้านหลังบ้านมันในทางเดินพอไปยิงอยู่รู้สึกมันเป็ปนสุขมองไปทางด้านซ้ายมือทางทิศใต้เห็นคนเดินมาประมาณสองร้อยคนเศษแต่ว่ามีคนตัวใหญ่มากนําหน้ามาและขนาบสองข้างอีกสองคนคุมไทยหนึ่งคนคนที่เดินตามมาทั้งหมดโหวนโหวนโหวนน่นแค่เอวคนที่ตามมาตอนนั้นใหญ่มาก พอเข้ามาใกล้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนพวกนี้เนี่ยมันตายไปตั้งหลายวันแล้วเนี่ยรู้จักกันนะแล้วก็ตายไปตั้งหลายวันมเดินได้ยังไงเนียตัวเองไม่รู้ตายี่แปลกเหมือนกันนะก็เข้าไปถามมีแต่คนเดิน้าหน้าถามวันลุงลุงจะไปไหนครับมีแต่คนเดินหน้าก็ทิ้งเกิเปิดบัญชีขึ้นมาทิ้แหลกเดี๋ยบอกไอ้นู้ ไม่มีชื่อนบัญชีเข้าบ้านแตเดียวแม่จะหัวงล้นก็นึกในใจว่าไอ้ตานี้ทำไมบ้างัววมเราถามว่าจะไปไหนบอกว่ามมนมีในบัญชีแล้ปล่อยก็เดินไปมาถึงกลางกลางถามแ่พูดแบบนั้นพอ ถ, ถึงคนท้ายแจพูดว่ามีบัญชีก็ลากมือมาส่งที่บันไดแล้วก็ไปก็เลยคิดในใจว่าชาตตางค์นี้ก็จะไปไหนถ้าเรารู้ไม่ได้ก็ไม่ยอมกลับ เดินตามระยะหามประมาณหนึ่งกิโลจนไปแล้วเข้าฝ่าระเ บ, ะบเ้อบังขึ้นเขาเล็กลงเขาเล็กขึ้นเขาใหญ่ล ง, เ, ง เ, ขเขาใหญ่สลับไปพักหนึ่งแต่มันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยพอไปถึงขั้ น, นสุดในด้านที่แต่มันออกมีภกเขายาวเหยียดจะสูงมากไม้ทราบว่าเขาตรงนันยาวขนาดไหนโคหน้าใหญ่เขขึ้นไปยอดเขา แล้วคนนั้นก็ต่างไปเขากลางมาชีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอในสุดเขาบักครบรครบเราโผหัว อ, อ ก, ก็ดีข้าวสาให้หนูมายัางไงท่านรก็เลยบอกว่าลุงผมถามลุงแล้วว่าลุงจะไปไหนในเมื่อลุงไม่บอกผมผมต้องการลู้ผมต้องมาเจ้เลยพาไปเย็นถึงยัดเขาที่ดุกระลงังและด้านดึงทางโน้นเป็นสำนักของชาวตัญพยาย มีอาคารอยู่สามหลังมีคือคนยืนเป็นกลุ่มๆประมาณร้อยคนเสร็จแล้วมีมนุษย์ตัวใหญ่ๆประเ่อในกลุ่ๆมๆละคนถืออาวุธ ด, ด้วยถามว่าลุงเขาทำอะไร <c oughs> แต่บอกว่านักพยาโยมทุกคนเนี่ยเมื่อจะไปเกิดไปจากที่นี่แล้วเขาให้ไปทำความดีในเมื่อไม่ทำความดีรทะจับประโลมโทษกำลังจะเข้าสอบสวนเลยถามวุงผมขอดูได้ไหม เขาไม่ลงไปโดูแต่บอกว่าคนนิพพานาโมพุทโธโมดีอรหังกมดีคือราความว่าคนนิพพานาอยู่แล้วตายนึกถึงพระเขาห้ามลงไปที่นั่นถ้าลงไปลุงจะถูกลงโวษอะไรที่สุดมันก็อยากจะลงให้ได้แกบอกกลับไปก่อนที่หลังต้องการจะรู้มาที่นี่มาถึงย่อดเขานี่ให้นึกถึลงลุงลุงจะมาต้องการจะรู้อะไ ร, รูลุงจะเห็นทั้งหมด แล้วเจก็ส่งกลับแต่ตอนส่งกลับไม่ได้กลมาเองครับผมก็ทําไม่จัดการคนสุดท้ายบอกไอ้มึงปล่อยเด็กตามมามีความผิดเอาเด็กไปส่งอีตาหน้าเขาก็โกรธเลยส่ <c oughs> คนนั้นไปใจว่าเด็กบ้าถึงว่าดะบอกให้มาเลยเสกมาได้แต่คว้าสองขาวเวียงหมัดขึ้งบ่าแล้ววิ่งไม่มียมันวิ่งเร็วจริงๆริวิ่งขึ้นวียงลงนี่ลงวี่ขึ้ น, ข น, ข น, ข น, ขนขเขาปรากฏว่าไปถึงประตู บ, บ้าน พุกงพรวดหาเจ้ากระเพราหนด้วยศีดาเป็นนะแม่ศีดาย้ำาต่อไปพวกที่เป็นมดาเช่นจ่าตุงมหัวดันพอพุ่งพว uh. ดกรไปกรบเราสดเข้าตึเจตปิดเข้าร่างลืมตายสุ่มมาไอประตูบ้านนี่คือร่างกายหินทั้งคนต like ้องพระเต็มบ้านพวกจะหม่ำจะแล้วแค่เล่ากระยอแค่นี้จะลงความว่าการนึกถึงพระ แม้แต่เพียงการตั้งใจไม่มากจะมาเล่าสู่กันฟังพตอนสมัยที่เป็นเด็กจะเล่ากเรื่องเป็นพระเสียาเป็นพระแล้วมีเวลามากใช่ไหม <c oughs> เป็นเด็กระดัแ บ, บแรกภาวนากันไม่เร็วต่อมาขั้นี่สองนั้นภาวนากันผีเวลาไหนไม่รู้สึกว่าจิดรววผีก็ไม่ภาวนา เวลาไหนโกรธีขึ้นมาถ้านอนคนเดียวห่างผู้ใหญ่เขาก็านานิดหน่อยแล้วก็นั่ไปแล้วต่อมาเมื่อเวลาป่วยไม่เอาพระมาพระพุทธรูปมาตั้งให้อยู่ทา้งคนนายต้นป่วยสิจิตมันจับให้ภาวนาให้อะไรให้อะไรเพราะก็เอาเมื่อคนตกน้ําถ so ้าคนตกน้าเบี่ยง่อนไม้ไปก็จับต้นไม้เบี่ยงสุนัขเน่าไปก็จับสุนัขเน่าตัวประธานชีวิตให้โซงอยู่ ในเมื่อตายเห็นพระรุทธรูปธรรนาวัตถุโทจิตประจับพุโทพอจิตเข้าเรียบคำว่าเรียบตอนนี้เรียบนิดหน่อยทุอุภาระสมาธิทุกขเวทนาเบามากการปวดท้องเสียท้องร้องภานร้อนภายในยเกือบจะมีความรู้สึกแต่ต่อมานี้เมืเ่อจิตเป็นสมาธิมาก ข, ขึ้นเห็นภาพพระก็แจ่มใสขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างบรรดาญาโยมพระไยสัย สมัยเาแต่มาเป็นเรืเบียดที่ไม่มีพราะไม่จริงไม่จํางเพาะมันได้ยากจนเมื่อบริษัทท่านจะรียกรรมฐานวันนี้พูดเป็นเพียงเพื่อกินรื่องเรามำง่ายๆแต่ว่าให้มันมีผลมากหากว่าท่านแบบไปที่บ้านเวลาปฏิบัติมันน้อยแจะมานั่งแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทํามาหากินฉะนั้นคอยทําอย่างไดอย่างหนึ่งให้เกิดห่วง อย่างที่บรรดาได้พุทธริษัทจมูชาพระอมุชาพระก็แล้วกันถ้าใช้คำนั่งสมาธิบางท่านไม่มีเวลาก็เหน่มากตอนเวลาหัวค่ำกลับไปจากําทำงานรับทานอาหารเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหลับกบูชาพระการบูชาพระไี่จะสดมุนมากสดมุนน้อยอันนี้ไม่สำคัญ จะว่าเพียงนโมตัสสะพะพุทธาธมังสังขังจบเท่านี้ลขอก็ใช้ได้หรืออย่างดีที่สุดจะต่อยดีวสสจบก็ดีมากแต่ว่าเวลาบุชาพระจริงๆให้ตั้งใจคารวพระพุทธเจ้าจริงๆนโมตัสะเว่าโตราโตสัมาสมพุทธัสะอย่างนี้แปลว่าข้าพเจ้ากราสักการองสมเด็จตั้งมูลมีพระพเจ้าสึ่งเป็นพระห์พระองค์นั้นคือไหว้พระพุทธเจ้า พุทธังสนังและฉามิแปรพระเจ้าเจ้าขอถึงพระเจ้าเจ้าเป็นที่พึ่งธรมังสนังและฉามิเจ้าเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแสงังสนังและฉามิขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านี้ก่อเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะถ้าอยากมากกว่านี้ก็ได้ตั้งใจเคารพด้วยความจริงใจเพรว่าท่านทําอย่างนี้ทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ถึงเวลาแล้วไม่ได้บูชาพระเกิดความห่วงว่าวันนี้ไม่จะบูชาพระถ้าจิตถึงอันดับนี้ขมันดาท่านพุทธบริษัทบริษัทตรวจท์าบว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นฌานในพุทธานสติธรรมานุติสังขารนุสติแล้วถ้าจิตเป็นฌานอย่างนี้แล้วท่านตกมรรคไปได้ใช้วิธีง่ายๆนวิธีหนึ่งขมันดาท่านพุทบริษัทจะดิเริ่ภาวนา การนั่งเจรเดินภาวนาเป็นของธรรมดาแต่ก็ไม่แน่นักคนที่มีงานมากจะเวลาไปนั่งมันก็แสนลาบากมันเลยไม่ต้องแต่เช้ายันค่ําก็ใช้นอนภาวนาก็ได้ถ้าเวลานอนก็ภาวนาว่าพุทธหรือสมารหังธรรมปะทะอะไรก็ตามใจเถอะแต่ว่าก่อนจะภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเนื่องว่าข้าวเจ้าเอยได้ับถึงพระพุทธเจ้าไปพิพิึง ขอถึงพระธรรมเป็นพิพิขอถึงพระอารียสง่งเป็นพิเิธหลังจากนั่งภาวนาไปเล็กน้อยไม่ต้องมากนักพอใจเป็นสุขแล้วมันจะหลับก็ปล่อยไปเลยถ้าทําอย่างนี้ทุกวันไม่ต้องใช้เวลามากแต่ย๋ยวทั้งบรรดาทั้งบริษัทพอนอนนุ่มปัญมอะไรถ้าไม่ได้ภาวนาไม่สบายใจต้องภาวนานิดหน่อยจะสบายใจถ้าจิตเป็นห่วงอย่างนี้ คือว่าทุกท่านมีฌานในสมาบัติที่ทำแล้วถ้าท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำพระอริยสงฆ์ถึงว่าเป็นฌานในพุทธานุสติธรรมา น, านุสติสังคารนุสติอันนี้ใหญ่มากก็โลงความว่าการฝึกฌานสมาบัติวิธีง่ายๆแบบนี้ง่ายไหมง่ายไม่ง่ายถ้าขี้เกียจจะยากนะเลยมีแนวหนึ่ง ญาติโยมบางท่านบางคนทําบางคนไม่ทําแต่ว่าไม่บังคับต้องทํานะถึงเวลาเช้าก่อนรัฐนอาหารเราข้าวดิดเสงกับข้าวนานหนึ่งคนไม่ติดเสงก็ตามพระบิดาไปบูชาพระพุธรุปการบูชาพระพุทธรูปนึกถึงเฉพาะพระพุทธรุปเป็นพุทธานุสิกสมาทาน เวลานั้นถ้าว่าประลรุเขาทำโดยเประสงค์โดยก็เป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุติถ้าทำอย่างนี้ถ้าการห่วงถ้าถึาเวลานั้นไม่ได้ทําใจไม่เ ป, ป็นสุขอย่างนี้ถืวเปญชฌานะนนุสตินั้นนั้นคือบป็นฌานนะอีกราการหนึ่งท่านจะไหลานาบาทวิรัติโยไปบาทวิรัติโยก็ได้กับเองวิรัติโยก็ได้กับเปากระเป๋าวิรัติโยก็ได้ คือหมายความกับหองกระเป๋าได้ก็ตามถ้าวันหนึ่งก่อนเวลาบูชาพระหรือก่อนจะหลับเราคิดว่าตอนเช้าไม่มีโอกาสใส่บาทหรือว่าตอนเช้าจะมีโอกาสใส่บาทก็ตามแต่ก่อนจะหลับทําบุญซะหน่อยตั้งใจตะตังใส่ในภาชนะนั่งเก็บไว้ ว่าคิดว่าเราจะถวายพระบิฆาปตตาหายก็ได้ไปวิหารทานก็ได้ไปธรรมทานก็ได้ไปสร้างพุทธโรก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่แดงใส่ทว่ากระฐานวิรัตโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำพระอริยสงฆ์ก่อนแล้วว่ากระฐาวิรัตโยถ้าไม่ว่ากระฐานวิรัตโยจะว่าอะไรก็ได้ได้ก่อนแดใส่ต่อไบนึกว่าของนี่เราถวายเป็นทาน เป็นอาหารพระพุทธเจ้าเป็นสังฆทานและเป็นวิหานธายก็ตามถ้าทําอย่างนี้ทุกวันก่อนใส่นึกอผิงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และพระปฏิยพระพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตท่านเป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุติแยนุติใหญ่การคิดว่าจะกระตัใสในกระป๋องและในป่าตรงไปคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจาคานุติโลทานเป็นชาน การใส่ไปอย่างนั้นเป็นรานบารังมีบรรดาเถิพุทธบริษัทการทําเพียงแค่นี้เถิดบรรดาเถิพุธบริษัททําทุกวันอย่างนี้ทำไมาขอยืนยันว่าทุกคนตายนี่รูนรกไม่ได้พออย่างพอไหมใครพอก็พอยังไม่พอเลยเจ็ดสิีแม่ ก็ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้ทวักถามว่ายากโยนหรือถามว่าก็ทุกคนต้องการปฏิพการอันนี้พื้นฐานใหญ่แล้วในการปฏิพารนะทำจิตถาเป็นฌานอย่างนี้แหละพื้นฐานใหญ่ถามว่านอนหลับตื่นแลวมาหมถ้าเระหว่างนิพพานสําหรับที่ท่านได้มโนยิ้มยิ้มอย่าลืมกุ่งใจตรงนิพพานทันทีแห้เราตั้งใจเลยว่าถ้าตายเมื่อไรขอมาที่นี่ทีเดียวอย่างนี้นิพพานแน่ ถ้าบรรดาถ้าพุทธบริษัทปฏิบัติในฝ่ายสุ ข, ขรสกรมสโกเมื่อหลับไปมาบัติงขึ้นามามันหายเหนื่อยแล้วก็โรวบรวมกาลังใจจะนอนอยู่แบบนั่งก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการจเจริญสมาธิกรรมฐานทำจิตโริสุธ์มันสาคัญที่จิตไม่สําคัญที่กายต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสง์ พิจามความจริงๆว่าชีวิตนี้มันต้องตายแจะมีตายวันนี้ตายพรุนน่งนี้ตายเมื่อไรอันนี้ไม่ทราบที่ว่าอาจจะตายแน่ก็ตั้งใจว่าถ้าหากจะตายเมื่อไรขอวันปานจุดเดียวหลังจากไม่เข้าเมืองจิตกข้าเมืองจิตคิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชี่ว่าค ว, ความโลกอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทำเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการ ความโกรวที่กระทุ้นสร้างให้คนอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรดบวามจีิงมานตั้งตัวาจะเรียนเราจะคิดทุวันในความจะก ล, า, ะลนะ า, ะะายตัวแในความหลงไหลไฝ่ฝันในรูปสิ่งนี้คือ ร, ร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันที่ต้องสิ้หายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเร็วๆอย่างนี้ โลกอิเต็มด้วยความทุกอย่างนี้เราไม่จังการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นทํานเวลาก็ภาวนา น, นิดหน่อยพอใจสบายแล้วก็ลุกไปทํางานต่อไปเชียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำบาราเล็กบาน้อยกําลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากนะไม่เล็กเป็นกําลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าการตายจะเข้ามาเสียง ถ้าส่งเกตไว้ถ้าป่วยเครื่องใดถ้จิตใจยังวุ่นวายอยู่ขนาด น, นั้นมันไม่ตายป่วยเขานั้นไม่ตายถ้าป่วยเร่กายเครียดมัจะตายมันจะตายจริงๆเขาเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มปวดอรมณ์จิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆ น, น่ะจิตจะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่อาจะตายก็ได้ ัจิตนั่นหลที่มีอยู่ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดหัวจิตมาเริ่ ม, มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยภาาเป็นอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทให้หวังได้เลาเขานั้นจะตายแน่แต่ก่อนที่เวลาจะตายจริงๆตั้ง 7, แต่เจวันระยะเวันหรือ3วันก่อนตายจะพบภาพภาพที่ใจเห็นจะเต็มไปด้วย า, าอากาศนจักรวาลนี้เต็มหมด ถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายครั้งนี้ไปเป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นผรมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายครั้งนี้ไปเป็นผรมแน่ถ้าเห็นพระอรหันต์อยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าพ ร, พาพรจ้าอยู่ใกล้สุดตายร่นนางปณิพันธ์แน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนนะอบบนาบรรดาท่านผู้โดยสาทวันนี้เขาว่ากันแบบย่อ ๆ, ๆเข า, า, นะาก็มาย่อละฟา28กัา28นาที